เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเขียนโดยอาจารย์สุชีปุญญานุภาพหากนับถือศาสนาพุทธควรฟังหรืออ่านพระไตรปิฎกอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับฉบับนี้เป็นการย่อสรุปใจความสำคัญเพื่อความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องตรงทางเหมาะสำหรับฟังเบื้องต้นก่อนฟังหรืออ่านฉบับเต็มอีกทีนะครับ หลักธรรมะที่ถูกต้องสำคัญมากเพื่อการปฏิบัติที่ถูกทางในขั้นต่อไปจัดทำเพื่อเผยแพร่แจกฟรีในนามชมรมผลดีเสียงอ่านโดยโจโฉอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำเชิญร่วมเผยแพร่ส่งต่อในทุกช่องทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป สภพธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงปัญญาสำคัญที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อมีปัญญาจะประสบความสำเร็จเป็นสุขได้จริงบุญให้เกิดปัญญาสูงสุดคือให้ธรรมะบริสุทธ์แท้และไม่มีอะไรประเสริฐเท่าพระไตรปิฎกกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าหากผู้อ่านอ่านผิดหรือไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะคำสับเฉพาะที่ไม่สามารถหาคำอ่านที่ถูกต้องได้ขอท่านผู้ฟังได้โปรดฟังเพื่อจับใจความเป็นหลักเท่านั้นนะครับอย่าเอาการอ่านออกเสียงที่ได้ยินเป็นมาตรฐานหรือคิดว่าถูกต้องไปทั้งหมดโปรดตรวจสอบกับท่านผู้รู้อีกครั้งแกนคือใจความสำคัญที่ควรสนใจจับประเด็นให้เข้าใจมากกว่าที่จะสนใจเปลือกคือคาศับที่ไม่คุ้นชิน หรืออาจออกเสียงผิดไปบ้างจึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดให้อภัยกับผู้จัดทำสำหรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสื่อทุกชุดที่ผ่านมาด้วยนะครับ